ขอความสุขความเจริญยู่มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้คงพูดเรื่องพระสูตรในอุทานอีกเช่นเคยก็ได้พูดมาตามลำดับจนถึงวิสาขาสูตรสูตรที่ว่าด้วยนาวิสาขามหาวายสิกาพระสูตรต่อไปนั้นก็คือทัพสูตร แต่บนนี้ก็มีสองสูตรติดต่อกันสูตรแรกท่านก็เรียกว่าปัตมทัพสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการปฏิญญาของพระทัพมันฑบุตรพระสูตรแรกมีข้อความในเบื้องต้นว่ามิวุฒิเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวรุวันกาลันตกะนิวาปะสถาน พระทพระมันระบุได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งนาที่ควนส่วนข้า้งหนึ่งแล้วกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าบัด น, นี้เป็นการไปนในพานแห่งข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพระทเธอจงสําคัญการเวลาอันควรนบัด น, นี้เถิดลาดับนั้นท่านก็ ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็กระทำประทักษิณแล้วหะขึ้นสู่อากาศออกจากสมาบัติแล้วก็ไป น, นิพพานก็เป็นการนิพพานในทรกลางอากาศพระทาพมาลบุตรนั้นมีประวัติความเป็นมาที่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆ แต่วเสียดายที่ท่านอายุน้อยเยท่านี้คือมีใจความโดยสรุปว่าในดีตการนานมาแล้วคือตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าสมงนาม nam ปทุมมุตระคือเป็นที่น่าสังเกตว่าพระเทระอาหารหันทั้งหลายเนี่ยหรือแม้แต่อริยาสาวกที่ลดหลั่นลงมาคือบรรลุมรรคผลในสมัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่ จะเริ่มตั้งความปรารถนาเพื่อมันรู้มรรคผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าสุภนามปทุมุตระก็ช่วงเวลาในการบำเพ็ญบารมีของพระอรหรันต์ก็ใช้ช่วงก็สั้นน่ยก็หนึ่งในสองของพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระเจ้าก็หนึ่งในสองของพระปฏิเจกพุทธเจ้าก็หนึ่งในสองของพร ะ, ระพุทธเจ้า เราก็ใช้เวลาหนึ่งอสงไขกับกำไรแสนกับแต่กว่านานนะดูนเหมือนนะฮะท่านก็ในตั้งความปรารถนาที่จะบรรบลุมรรคผลไวในสมัยของพระพุทธเจ้าสุมนามา บ, บทปตุมุตตระในสมัยพุทธกาลเนี่ยได้บังเกิดในราชกุลมัลละ แต่ว่าพออายุท่านปีงเจ็ดขวบท่านั้นเองมันเกิดความเมื่อหน่ายในภพก็ปรารถนาที่จะบวชในพระพุทธศาสนาจึงกราบธูลาพระมารดาพระบิดาท่านทั้งสองก็ดีนะคือเป็นเรื่องนี้น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่า ถ้าพ่อแม่ลูกสร้างบารมีมาใกล้เคียงกันในพูดจากันรู้เรื่องครนี้เราลองดูแม่แต่พระพุทธเจ้าเองฮะเดียตอนเสด็จออกคนนวดเนี่ยพระเจ้าสโทวธนะเองก็ตัดพระทยัยแล้วก็ยังมองว่าน่าจะส่งส่งคนไปอารักขาในรูปของ ปิชาชนระทับอทั่วๆไปพระวัฒน์กรุงกบินาภาพได้ทราบข่าวการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เป็นตลอดกหมายความว่าคงจะมีม้าเร็วไปแจ้งข่าวแล้วกลุ่มคนเหล่านั้นก็คงเป็นราษฎรหรือข้าราชการที่ปลอมตัวมามาดูแลพระโพธิสัตว์แตาในแง่จริงๆมันเป็นไปไม่ได้นะฮะว่า เป็นพระราชโอรสที่โหร็ทําทำนายไว้ในฐานะสูงทรงอย่างนั้นแล้วพระราชบิดาจะปล่อยเลยไปแล้วตลอดถึงการที่พระนางยโสธราพิมพาทราบข่าวว่าพระโพธิสัตว์ปฏิบัติตนอย่างไงท่านก็เปบัตตนอย่างนั้นกระม้ความว่ามีข่าวครา ว, า ว, าวติดต่อกันอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ได้มีการขัดขวางอะไรแต่ประการใด ในการส่งเสริมสนับสนุนแต่ว่าครอบครัวบางครอบครัวอย่างยกตัวอย่างเช่นพระสุธินเนี่ยพ่อแม่มีความเห็นคนระดับกับลกูกจนถึงก็เป็นเหตุให้พระสุทินมีปัญหาคือต้องปฐมปรารชิตเรียกเป็นอธิกรร ม, มิกะคือเป็นต้นบัญญัติแห่งปฐมปรารชิตหรือพระรัชปาละอย่างเนี้ พ่อแม่ก็ขัดขวางไม่ยอมให้บวชแต่ว่าในสุดท่านก็ได้บวชแล้วก็พระสุนทรสมุดอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ส่งผู้หญิงตามล่าเพื่อจะสึกลุชใจก็ แ, แสดงว่าถ้าพูดจากันไม่กันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็หมายความพื้นฐานบารมีของคนเหล่านี้เขาห่างกันลูกมีบุญมากกว่าแต่ว่า พระชนกประชนีของทพักกุมารเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะฮะว่าต่อมาท่านเป็นยังไงก็ยังไม่เคยพบปรวะวัติแต่ความข้อข้ อ, ข อ, ขอความที่ท่านพูดกับลูกชายเมื่อตอนลาบุตรจะเป็นข้อที่น่าสนใจท่านบอกว่าลูกเอ๋ยเจ้าบวชแล้วจงศึกษาในอาจาระถ้าลูกไม่ยินดีการศึกษาอาจาระนั้นลูกก็ ตรงกลับมาในที่นี้อีกจะแสดงว่าพ่อแม่ลูกกำลังน่ารักน่าเจ็ดขวบแต่พอลูกบอกจะบวชก็ยินดีให้บวชยังจะมีข้อแม้ว่าบวชแล้วก็ต้องศึกษาประพฤติปฏิบัติไปตามหลักือศึกษาจาระถึงมัญญาติควรแก่การประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะของพระภิกษุ ตรงนั้นที่จริงก็ในแง่ควจริงท่านเจ็ดขวบก็ต้องบวดเป็นเนรนะนะแต่ว่าพอดีเมื่อท่านไยความพระพุทธเจ้าขอบรรพชาเนี่ยพระเจ้าทรงสวดดูความสมบูรณ์แห่งอุปนิสัยของท่านแล้วก็ทรงอนุญาตการบรรพชาในเวลาที่ท่านบนรประชาเนี่ยพบทั้งสามปรากฏเหมือนกับไฟไหม คือมันจิตป็นเดินไปหายไปถึงท้าเรียกว่าพะยะตุปรัฏฐานญาณนั่นแหละญาณมองเห็นออสังขารพบทงปวงเป็นเรื่องน่ากลัวคือเหมือนก็ถูกไฟไหม้วิปัสนาญาณก็เกิดหรือใจไปเลยแล้วให้เราสังเกตนะครับว่านั่งเพื่อจะปรงผมนะฮะนั่งเพื่อจะปรงผม อาจารย์ก็สมัยโบราณเนี่ยก่อนที่จะส่องอนุญาตลำดับขั้นตอนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยการบอกตาจัตาจปัญจกะกรรมฐานคือบอกเกาลมานคะนันตาตาโจนี่นะคือจะบอกตอนปรงผมไม่ใช่บอกตอนบวชขอ บ, บรรพชาเป็นสา ม, มเณรอย่างปัจจุบันแต่ว่าเมื่อเกิดมีปัญหาว่าบางคนเนี่ยอย่างพระทัพพระเนี่ยท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหรัน ในขณะเดียวกันก็มีคนบางคนรู้สึกรังเกียจขยะขยงแล้วก็รู้ขึ้นวิ่งหนีเลยไม่ยอมบวชพระเอาอะไรไม่รู้มาพูด น, น่าเกลียดขยะขยงผมคนเล็กฝันหนังคือพูดในแง่มุมของกรรมฐ า, านพูดโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการชุ่มชื้โดยโพลโลหิตต่างๆอันีความน่าเกลียดน่าเกลียดคือมองในแนวของปฏิกูลแต่คนบางคนฟังไม่ได้ ในสื่อก็วิ่งหนีผอ ม, มืเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเรื่องมันเกิดขบกันแล้วพอช่วงตัวเนี้ยมีคนบางคนบนรรลุมรรคผลได้แต่ว่าคนบางคนไม่ยอมบวชเพราะในคนที่บรรลุมรรคผลได้เนี่ยไม่แปลกหรอกจะบอกตอนไหนก็ได้แต่ว่าคนที่ไม่พร้อมที่จะฟังเนี่ยเราต้องปล่อยให้เธอขอบรรลุประชาเสีย ก, ก่อน ผลคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในพิธีบวชพระภิกษุสามเณรจะเห็นว่าการบอกพระจะบัญยากะกรรมฐานคือกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ห้าเนี่ยคือผมคนแล่นผนังเนี่ยบอกในช่วงที่ท่านขอบรรพชาเป็นสามเณรอุปชายะในพูดกันมาโดยลำดับถึงจุดหนึ่งก็บอกเรื่องหลนี้ตัว่าตอนพระท้าพระมันระบุดบวชเนี่ย คืออย่าลืมมรุ่นเจ้าประทับอยู่ที่ประเวรล้วนก็แสดงว่าเป็นยุคแรก แ, ร ก, แรกที่พูเจ้าทรงบัติขึ้นแล้วก็ข่าคร า, าวเนี่ยคงจะไปไกลแล้วคือไปถึงแควนมันละของกุสินารานะฮะแควนมันละเพรนพอดอมีจะรดจะรดมีดโกนนะฮะ จะดวิโกน ล, ลงที่ที่ผมท่านนเด็กยังไม่ทันโกนเลยท่านก็ได้บรรลุมรรคผลเขาเรียกว่าบรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระสาวกพึงบรรลุทั้งหมดคือธรรมะเหล่านี้ที่จริงรวดเดียวนะฮะมันเกิดขึ้นรวดเดียวเป็นผลที่สืบเนื่องคล้ายๆกับแสงสว่างเกิดปุ๊บก้ดมาเนี่ยมันขจัดมืด แล้วก็เห็นอะไรตะไรสารพัดอย่างตามปริมาณของแสงสว่างที่บังเกิดขึ้นโดยอาศัยความสมบูรณ์พร้อมของสิ่งที่เราเรียกในการต่อมาว่าใจสิกขาเนี่ยมันเกิดเป็นสมายานคือความรู้ชอบก็เกิดผุดขึ้นภายในจิตก็ทำให้บรรลุวิชาสามปฏิสัมวิทาสียพิญญาหกพวกนี้เขาเรียกว่าเป็น รหันุประเภทอันสามประเภทฮนะอยู่ในประเภทเดียวกันมีวิชาสามปฏิสัมพิทาสี่อภิญญาหกแล้วก็อีกผู้หนึ่งก็สุขวิปัสสุกแต่ตามปกติแล้วถ้าสายนี้แล้วจะมีครบทั้งสามอย่างคือ ม, มีวิชาสามปฏิสัมพิทาสี่อภินญาหกแล้วก็บังคับบังคับก็รวมเรียกว่าวิชาแปด วิชาแปก็มาพนวกกับพิญญาหกกับวิชาสามเนี่ยที่จริงมาเป็นเก้านะฮะแต่ว่ามีข้อบางข้อมันก็ซ้ำกันก็ตัดออกไปก็กลายเป็นวิชาแปดเพราะ ง, งั้นวิชาสามเนี่ยมันคือปุเพนวาสาัญตญานลึกาตบฟังก่อนได้ จุดตัววปาตยานะหรเห็นการจุติการอุบัติของสัตว์ตลางที่แตกต่างกันว่าเป็นไปต่างกรรมและที่สำคัญยิง่งคืออาสวะขยานพยานที่ทำอาสวะคือกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตอนบรรลุตอนตัดสุ้ก็พูดวิชาสารเนี่ยแต่ว่าเวลาเราอาธิบาจริงๆเราก็พูดถึงวิชาแปด วิืาแปก็ได้วิชาสามก็ได้ก็กรอบขอบข่ายของจิตที่บริสุทธิ์หมดจดก็ตยจิตยานเครื่องรู้ก็เท่ากันวิสามิทาสี่เป็นเรื่องของปัญญาที่แตกฉานในอัตตแตกฉานในธรรมคือพวกแง่ว่าแตกฉานในเหตุในผลและแตกฉานในภาษาเขาเรียกว่านิรุตติไิสามิทาเนี่ย เกีมาเองก่อนข้างเชื่อนะฮะแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดด้วเชื่อว่าภาษานี่เป็นเรื่องสมมติบัญญัติพระาราหันทานทะลุเข้าถึงสัจธรรมวันภาษานี้ท่านต้องรู้หมด พระพุทธเจ้าดำรงพระชนอยู่ 45,000 สาแล้วก็เสด็จไปในคามในห่มชนบทราชธานีต่างๆในชุมพูทวีปนกว้างไกลมากนะครพระพเจ้าไม่เคยใช้ลัมแล้วก็ยังไม่พบพระเถระรูปไหนที่ใช้ลัมก็หมายความว่าภาษานี่มันเกิดขึ้นได้หรือสามารถจะพูดจาภาษาซึ่งพูดกันอยู่ในสมัยนั้นได้ พันเราเห็นว่าพลังของจิตเนี่ยมันมีอะไรที่รับมาสจัจย์จนยากที่จะยังรู้แล้วก็มีปฏิภาณปฏิสัมพิทาคือมีไว้พริบปฏิภาณในการมองสิ่งทั้งหลายนะ่าจะโตอตอบยังไงจะชี้แจงยังไงจะอธิบายยังไงเนี่ยคื อ, อังนึกเสียดายนะฮะมาสอน วิชาเก ath ath sin, at, asting, yourself, าี่ยวกับวัฒนสิงเกี <popping in. S 2> ่ยวกับนิเทศศาสตร์เกี่อะไรเนี่ยนะเกิเราเไม่ค่อยยุ่งอ่ะของของความคิดชาวบ้านเนี่ยเราดูเฉพาะกรอบมันดูเฉพาะกรอบดูเฉพาะนิยามเคนิยามมานยังไงกรอบขอบข่ายมันเป็นยังไงแล้วเราก็มามองมาตรงเนี้ยพระเจ้าทรงแสดงมาอย่างไรเราจะนําที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ทรงแสดงเนี่ยนำมาอธิบายแล้วเราจะเห็นว่ากรอบจะใหญ่กว่า อย่างมีสมามิทาสีเนี่ยนักนิเทศตลอดถึงนักเผยแผ่ทั้งหลายเนี่ยมันเข้าไม่ถึงหอกเข้าไม่ถึงอย่างที่ประธานนั้นเข้าถึงพอแต่ละข้อเนี่ยจะมีความสมบูรณ์ในตัวเขาเองเป็นลักษณะของปัญญานะฮะเราเห็นว่าเป็นอาการของปัญญาแล้วก็อภิญญาหกก็เป็น วิธีวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้มนโนมยิธิมีความสาเร็จในทางใจแล้วก็ทิพโสหูชิบแล้วก็ทิพจักขุอันนี้ก็อาจจะทิพจักขุก็ได้อยู่ตัวปตัตยานก็ได้บุเพนว่าสาธยานเ็า็ก็มาลง ก, กันกับวิชาสามแล้วก็ จิตใจของทัานก็อยู่ระดับเดียวกับพวกมหมาสติมหมาสักพวกที่จริงพระานนท์่านก็รับระดับเดียวกันนะนะฮะถ้าเป็นพวกวิชาสามไปสามิศาสี่ภิญญาหกด้วยกันละกิเลสได้นะฮะแต่วาสนาละไม่ได้บางคนที่ละวาสนาได้ก็มีเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าคือ คือท่านก็เล่านะท่านล่าเมนะื่อเราได้ทำให้แจ้งแล้วซึ่งพระรหัสโดยอายุเจ็ดขวบแปลกะกำเนิดเราได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ประสาวกฝึงบรรลุได้ทั้งหมดดังนี้คือข้อความตัวเนี้มันก็อยู่ในพวกเทระคาถานะฮะเป็นพวกอปาทานเทระคถา เวลาพระอาจารย์ท่านอธิบายท่านก็ดึงมาจากน้นจากนี้นะฮะก็ช่วยให้เราสะดวกขึ้นในการทำความเข้าใจทีนี้ประวัติชีวิตของท่านเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือปัญหาก็ที่จริงก็ปัญหาเล็กน้อยนะฮะแต่มันเจอคนเกะกะเข้ามามีพระรูปสองรูปนะชื่อ เนธยากับภูมิมัจฉกะเป็นกลุ่มของพวกสัพพะขีพวกนี้เก ก, กะค่อนข้างจุนจานน้านดีไซน์ไม่ค่อยดีสร้างปัญหาเยอะแล้วค่อนข้างไปทางการล่อนนะฮะคือมาความมาบรรดาษอย่างหนึ่งแกออกอย่างหนึ่งบรรดาษอย่างหนึ่งก็ออกอย่างหนึ่งหรือมองอีกทีหนึ่งก็ดีอย่างนึ่งกันว่าเถ้าไม่มีคนพวกนี้สิคาบทก็จะสมบูรณ์ในยาเพราะว่าพระเจ้าทรง บัญญัติตามสุขควรแ ก, ก่กรณีที่เกิดขึ้นไม่ใช่บัญญัติทีเดียวแล้วก็ครอบคลุมหมดไอ้อย่างนี้ก็ไม่เป็นที่ยอมรับของคนเพราะต่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็บัญญัติตามตามเหตุการณ์เพื่อพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ทช่นนี้มีคนก็ทำเพราะาต้องบัญญัติวินัยเพื่อป้องกันไว้ ท่านเห็นว่าท่านบรรลุมรคขลเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็ยังหนุ่มนะฮะยังเด็กยังเป็นพระอารหันต์เจ็ดขวบกันนั่นเองแต่พวะเจ้าถือว่าเป็นทรงประทานพิขุปภาวะให้ถือไม่ต้องเป็นสามเณรก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าคือเวลาอย่างที่บอกว่าในพระบาลีเนี่ยท่านไม่บอกอะไรก่อนอะไรหลังไปถือทำให้เราไม่เข้าใจ แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดและน่าจะเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าองค์นี้เป็นพระหนเลยตอนพระราหุนบวชเนี่ยพระราหุนก็แถบนั่นแหละเจ็ดแปดขวบอย่างมากก็เก้าขวบแต่คงไม่เจ็ดขวบทรงอย่างที่เราพูดเรอเราก็อาจจะพูดเลขเจ็ดติดไปหน่อยเพราะถ้าเราศึกษาเทียบเคียงการเวลาที่พระเจ้าสัสรู้เผยแผ่ศาสนาประทับอยู่แถบนั้น ใช้เวลาอะไรต่างๆแต่ตดูแล้วมันน่าจะอยู่แถวเจ็ดแปดขวบน่าจะแปดน่าจะเก้าเลยสัไปนะแต่ก็ไม่ได้โปรดให้เป็นภิกษุพระหุนท่านก็บำเพ็ญเพียรจนบรรลุมรรคผลตอนเป็นภิกษุแล้วนะฮะตอนเป็นภิกษุแล้วแต่พระทัพพระมันละมุดขึ้ผิดกันคือบรรลุมรรคผลพอจะหดมีโกนลงถนนเองไปแล้ว บรรลุแล้วจิตพ้นไปแล้วคือเป็นพระไปแล้วนะจริงๆก็เป็นพระไปแล้วพระนี้ก็เป็นโดยมักนะี่ยคือแนวตรง น, นี้ถ้าไม่บวชก็คือพระคล้ายๆกับพระพัยยะธรุจิริญะเนี่ยที่จริงไม่ได้บวชนะฮะตอนยาธารุจิรญะก็ฟังธรรมเทศนาสั้นๆจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุมักผลแต่ว่า เป็นเรื่องแปลกกว่าตลอดสังสารวัตรมัญญาวนานี่ยท่านไม่เคยถวายใจจีวรแก่พระเลยเพิ่นบารมีที่จะให้ใจจีวรที่เป็นทิพย์ลอยมาเนี่ยไม่เกิดเ พ, พิ่อนพรเจ้าจึงรับสั่งให้ไปหาหาผ้าแต่ท่านก็ถูกยักยีนีสิงโคแล้วก็ขิดก็อนนี้ผ่าน แล้วก็อยู่ในประเภทพระสีติมาสาวกด้วยทั้งๆที่ไม่ได้บวชไม่ได้คลองยีวรนะฮะครองจีวรก็ถือ่เป็นภิกษุเป็นระดับเอตาตะคะด้วยนะแล้วการยกย่องว่าเป็นยอดแก่งภิกษุทั้งหลายในการตัดรู้ได้เร็วเรียนบรรลุมรรคผลได้เร็วเป็นฐานได้เร็วมากทีนี้พระธัปมรลบุตรก็ไปขออาสาเป็นพัตตุเทศคือทำหน้าที่แจกพัด เขแจากพัดเนี่ยหมายความว่าบางทีคนรอกของมาถวายภาในวัดก็ถวายมากๆแต่ว่าพระมากกว่าของมันจะมีพระรูปหนึ่งก็เรียกว่าพัตตุเทศกะคือทําในสิ่แจกพัดแต่บางทีก็จัดพระไปรับอาหารที่บ้านใดบ้านหนึ่งที่คนนมีบุก็ขอสงมาจากจากบ้านจาวบ้านก็ขอสงมาขอกี่รูปท่านก็จัดลําดับไป แล้วก็หยุดไว้พอมาถึงชุดต่อไปก็ต่อไปเรื่อยๆ เ, เพราะในการบริหารอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครลำดับมันเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เรียงไปตามลำดับที่ถูกต้องแต่ว่าไม่ถูกใจคนก็เป็นเรื่องธรรมดาเพรา ะ, ะนั้นพอถึงคราวของพระเมตติยากัภูมิมัจิกะเนี่ยปรากฏว่ามันไปเจอบ้านโยมที่อาหารไม่ค่อยดี สิ่งที่ท่านคาดหมายเอาไว้ก็ผิดหวังก็ไม่พอใจไม่พอใจพระภัมันระบุรู้สึกจะเป็นเรื่องที่ที่พักด้วยนะฮะที่พักท่านก็ไปคิดว่าไม่สนศักดิ์ศรีท่านจริงท่านเป็นพักน้องขัางจุดจานหรือไปแต่คนเราเป็นอย่างนี้นีคื อ, อมองไม่เห็นโทษตัวเอง โทษพันผู้อื่นเพียงมเมล็ดงาปองดิ่ฉินนินทาห่อนเว้นโทษตนถ้าปูผาหนักยิ่งป้องปิดคิดซ่อนเบ้นเรื่องร้ายหายสูดคือธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนี้ในอุานทานธรรมท่าน ศ, ศาสนาโสขนจาท่านแต่งไว้เป็ น, นคำกรอนแบบไทยๆนะฮะบอกว่าโทษผู้อื่นเราเห็นเป็นภูเขาโทษของเราแหลไม่เห็นแต่เส้นขนตดคนอื่นเหม่อเบื่อเหลือจะทนตดของตนถึงจะเบื่อไม่เป็นไร แต่ก็สื่อสารได้ดีนะฮะสื่อสารได้ดีคือมันเป็นรูปธรรมเป็นภาษาชาวบ้านคือเห็นมีความชัดเจนว่ามันเราก็เป็นอย่างนั้นนะคือปกป้องตัวเองคนคนเหล่านี้แทนที่จะสำนึกตัวเองนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าพระอาหารนั้นท่านไม่มีอคติหรอก แต่ท่านก็ไปคิดคือท่านไม่รู้ว่าความเป็นพระหันมาอยู่ในใจท่านนะนะท่านก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ยิ่งตัวเองเป็นพระอายุมากแล้พระทพพระท่านอายุยังน้อยเลยองนี้ก็ซักสองรูปนี้ก็กลาวแล้วแล้วก็ไม่สุดเขาไปโจดคือไปเห็นแพะมันสมสู่กันเห็นแพะมันสมสู่กัน เลยก็คิดนะ่ะสมมุติว่าแพ้ตัวผู้เป็นพระทัพพระมารุปสมมตุติแพ้ตัวเมียเป็นภิกษุณีแล้วก็มาโจดก็มีภิกษุณีที่เป็นพวกเธอเธอนี่ร่วมมือนะไอ้ที่ก็เหลือกำลังกันเนี่นะฮะดูดูคนสมัยนั้นก็ไม่ใช่เบาอ่ะนะอาการหนักอย่นเงี้ยคือเป็นภิกษุณีแล้วไปโจดว่าพระมีเพศสัมพันธ์กับตัวเอง การต่างที่พระยังเป็นเด็กอยู่เลยแต่พระเจ้าก็วางต้นแบบไว้ให้ดูนะรับสั่งเรียกประชุมสงฆ์เลยพระโกโจพระาพาทัพพระเนี่ยรับสั่งเรียกประชุมสงฆ์รับสั่งถามพระทัพพะท่านก็กราบทูลว่าเรื่องนี้ความจริงเป็นยังไงพระผู้มีพระภาคา้าทรงทราบอยู่แล้ว ผู้เจ้าจะรับสั่งว่าเขาไม่แก้ข้อกล่าวหากันอย่างนั้นเราพระคือไปแก้ให้ให้คนอื่นเป็นพยานเนี่ยไม่ได้คือวิธีโต้อตอบคันกล่าวกล่าวหาเราต้องเป็นคนชี้แจงเองแต่คนอื่นเป็นเป็นผู้ประกันให้เนี่ยมันไม่ได้ผู้เจ้าทรงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่จะลืมอาการกล่าวหาของใครอย่างไรเนี่ยที่ไหนเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ถูกกล่าวหาจะต้องอธิบายเอง พระธรรมพระทัพพะมาระบุตธจึงกราบทูลว่าคืออย่าว่าแต่เรื่องเสพเมตุนเลยเนะี่ยแม้ความคิดของท่านยังไม่เคยมีเรื่องเสพเมตุนตั้งแต่เกิดนะท่านปฏิญาณตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ท่านไม่มีความคิดแนมะ้แต่เรื่องเสศเมตุนพุณเจ้าก็ส่งรับรองนะเพราะอย่าลืมมาเป็นเด็กอายุตเย็ดขวบท่นเองบวดละแบารมีแก่กล้ามากเลย ทนี้ก็เป็นเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่พระอาจารย์ท่านตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าเป็นไปได้ไหมที่ท่านต้องนิพานเนี่ยเมื่อพระเจ้าตัดสินชี้ขาดไปแล้วแต่ว่าสองรูปนี้ยังเที่ยวปวนอยู่อ่ะเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวไปกล่าวหาในที่ต่างๆมันก็บาปนะกล่าวหาพระอรหันต์อย่างนั้นน่ะบาปก็เรียกว่าหนเดียวไปสู่นรกทีเดียวแหละไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเรื่องใหญ่มากๆไปเล่นกับพระอริยเนี่ย เรียกอายุปะวาตคือการกล่าวช่วงจากต่อพระอระหันนี่เป็นเป็นปัญหาใหญ่มากๆ ก, ก็อาจจะเป็นเหตุอย่างหนึ่งเนะี่ยพระตาจารย์ทราต่างคอสังเกตว่า อ, อาจจะเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ท่านต้องรีบนิพพานเพื่ออนุเคราะห์เพื่ออนุเคราะห์ต่ อ, อนะตะคนทั้งหลายเพราะว่าคนมันมันมันในอารมณ์ที่พูดถึงความเลวร้ายของคนอื่นเนี่ย แล้วมนุษมั น, เ, นเป็นอย่างนี้จนเดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนนิสัยเลยสอบวิจาร์พระดาพระนิทานตาเถียนให ญ, ญ่ชีอะไรอะไรน่ชอบเขาเอาพูดแม้แต่ปัญหาที่ทางผลเอกเสด็จนิมนต์ให้มาตอบในวันจันทร์สลับกับอาจารย์จำวงบ้างนะบางครั้งมาก็ต่อสองครั้งบ้างแล้วสังเกตก า, การถามปัญหาเนี่ย มุ่งเล่นงานพระเนี่ยมีอยู่ทุกครั้งแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าเอามีคนที่เป็นพระแต่ไม่เรียบร้อยเนี่ยมาแก้ต่างแก่ตัวเองก็งมีอยู่ฟังออกแล้วแม้แต่ว่าพิจิกรหรือ ว, ว่าอาจารย์คือคืออยู่ในห้องอ่านสามคนนะฮะอยู่ในห้องออกกระจายเสียงนี่สามคนแล้วก็อยู่ข้างนอกรับโทรศัพท์อีกคนหนึ่ง อาจารย์ก็มีสามคนเราก็คิดตรงกันเออวันน่าจะมีคนซึ่ง อ, อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกขอดาแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองคือการตอบเนี่ยตอบตามหลักของพระวินัยนะฮะไม่สนใจหรอกหรือว่าคนตอบผิดก็คือผิดด้วยมันไม่ได้ใช้อารมณ์มันเป็นใช้หลักของพระวินัยเนี่ยพระวินัยว่าอย่างไงพระสูตรว่ายังไงเราไม่ตอบเองทั้งหมด คือถ้าเขาอ้างอิงเนี่ให้อ้างอิองอเป็นหลักเป็นฐานก็อ้างได้แต่ว่าเไปอ้างอย่างนั้นมันก็รุงรังแล้วก็พูดยากเพราะฉั้นถ้าใครต้องการความชัดเจนก็เราก็อาจจะบอกให้ดูที่นั้นที่นั้นที่นั้นเป็นหลักที่จากไปบิดบกตัการะถ้าต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพระสัพพะมาราบุตรพอวันหนึ่งท่านเที่ยวบินธบัติที่ ก, กรุงน่าจะเครือกลับจะบินธบัต แสดงวัดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าแสดงวัดก็คือทําหน้าที่ทาหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่ดูแลพระพุทธเจ้าเป็นอุปถัาคคือสมัยต้นๆเนี่ยไม่มีพระอุปถาคประจําพระก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันทําหน้าที่ดูแลพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านก็ไปสู่ที่พักกลางวันคือเอาน้ําจากหม้อน้ํลาลังเทา้าทั้งสองข้างนี่ ก็ทำตัวให้เย็นก็คงจะรูปตัวนะฮะแล้วก็ปูล่ไอ้ปูลาทอนหนังแล้วก็นั่งเข้าสมาบัติเลยัำตัดนั้นท่านก็มาพิจารณาในสมาบัตินะเห็เนว่าอายุที่สิ้นแล้วอายุของท่านสิ้นแล้วคล้ายๆกับภาษาดิบุตรภาษาดิบุตรคือ ก่อนที่ท่านจะไปนิพพานเนี่ยท่านมาตรวจสอบดูว่าเอท่านท่านกับพระพุทธเจ้าเนี่ยใครนิพพานก่อนรู้ว่าตัวเองยัง น, นิพพานก่อนคือเรียกว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งนะฮะอัาการสาวกจะต้องนิพพานก่อนศา ส, สดาพอตานนีนว่าท่านอายุจะจะหมดแล้วท่านก็รีบไปที่บ้านเพราะว่ายัางยังค้างแม่อยู่คนยังพูดจากันไม่รู้เรื่อง ตอนนั้นน้องๆท่านก็ อ, ออกบวชบรรลุมรรคผลเป็นทหารจะถึงหลานนั่นนะะภาษาดิบุตรนี่เรียกเป็นครอบครัวพระอริยะเลยละแต่พ่อไม่ปรากฏไยเข้าใจว่าน่าจะตายไปก่อนเพราะงั้นท่านก็ไปโปรดแม่จนแม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันนะฮะในในคืนที่ท่านจะนิคืนคืนที่ท่านนิพพานนั่นเองเพราะนั้นพระทัพภาก็ก็มองเห็นอย่างนั้น ข้อที่แต่ว่าคิดว่าเราจะนิพพานแล้วไม่กราบทูลพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยไม่ควรหรอกเสร็จแล้วก็ไปฟ้าเพระพุทธเจ้าก็ขอประทานพุทธานุญาตนะ น, นี้ใกล้ๆก็เป็นธรรมเนียม น, นะพระโมคคัลลานะะถูกโจรทุบจนจนเข้าใจว่าท่านนิพพานแล้วแต่ท่านก็เข้าฌานสมาบัติประสานกายมากราบทูลาราพระพุทธเจ้า พวกพระมหาปชาบดีโคตมีกษากิยานีทั้งหลายที่บวชพร้อมกันเนี่ยท่านเหล่านี้นิพพานพร้อมกันเลยเนะก็มากราบลาพระพุทธเจ้าขออนุญาตเพื่อนนิพพานเลยเป็นข้อที่น่าสังเกตเราหน้าสังเกตว่าพระอาหารหันต์ตามปกติแล้วเนี่ยท่านจะนิพพานเมื่อท่านสิ้นอายุแต่พอดีอายุท่านสิ้นพร้อมๆกัน ก็เลยที่ผ่านพระรูเจ้าก็ส่งอนุญาตว่าเป็นเป็นอะไรล่ะเรียกว่าการสมควรนะก็สมรู้ด้วยพยานเหมือนกันก็ส่งประทานพุทธา น, นุญาตแล้วก็เพื่อต้องการจะประกาศอิทธานุภาพของตนเองด้วย เดี that that ๋ยวเพื่อแสดงว่าพระศาสนาเป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นคืออย่าลืมมาถ้าถ้าท่านได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ปรากฏเนี่ยมันเป็นการกำลาบพวกแอบมินทาที่หลังแอบมินทาที่หลังคล้ายๆกับมีชนักติดตัวยุ่งเกี่ยวกับพิกษุนีอะไรต่อเลยเนี่ยป้องกันคนเหล่านั้นจากบาปเพื่อพระหานท่านกรุณาท่านไม่ได้คิดอะไรของท่านหรอก แต่กรุณาสงสารคนเหล่านี้อย่างที่เคยบอกนะว่าเรื่องบางเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่เทศเพราะว่าการุณาต่อบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งต่อต้านซึ่งขัดขวางอยู่พระเจ้าเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อสาวโลกราะอะไรที่กระทบกระเทือนถึงถึงคนอื่นซึ่งตั้งตังตวเป็นศัตรูแต่พระเจ้าก็สรงกรุณาทุกคนเหล่านั้นจะไม่แสดงในเรื่องบางเรื่อง แล้วก็ความคิดของท่านก็คือก็คือหนึ่งก็เพื่อให้อนุภาพในปรากฏสองแสดงว่าพระศาสนาแนะนาสัตว์ออกจากทุกข์ได้เพราะนั้นท่านก็นั่งในอากาศอากาศในการนั่งบนอากาศเนี่ยมันมันเป็นการใช้กสินใช้กสินสองกสินกระสินหนึ่งก็คืออากาศกระสินแล้วก็เพ่งให้เป็นปฐวีกระสิน มันะก็กลายเป็นที่นังที่ดังลอยอยู่ในอยกะแล้วก็ท่านก็คิดนะท่านก็คิดว่าเมื่อเมื่อทำเช่นนี้วนที่ไม่มีศรัทธาไม่เรื่มใสในเราก็จะเกิดความเรื่มใสแต่การทำเช่นนั้นเนะ่มันมันจะเป็นประโยชน์แก่คนเหล่านั้นคนที่ดา่าแอบดา่าอะไรต่ออะท่านอยู่เนี่ยแอบหนิงทา่าท่านไปเชื่อ คือตามปกติคนจะเชื่อข่าวความความไม่ดีของพระนี่ได้ง่ายนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องผู้หญิงกับเรื่องเงินเรื่องผู้หญิงจะง่ายมากคือเวลาโจ์แล้วก็พระนั้นฟื้นยากนะโดยเรา ม, มองในมิติของความเป็นพระเนี่ย เพราะอุตสาบวดมันด้วยศรัทธาเลือบใสในศาสนาเสียสละทุกสิทุกอย่างแล้วมาพลาดเรื่องกันาันนี้มันเสียเชิงมากไนงะนั่นเป็นไปไม่ได้เลยอาตมาปกติไม่ค่อยเชื่อนอกจากคนที่มุ่งร้ายต่อพระศาสนาเข้ามาปลอมบวชหรือว่าไม่ศรัทธามาแต่เดิมแต่ว่าต้องพิสูจนะ์อะคือเราเราไม่ค่อยเชื่อในเรื่องเหล่านี้ง่ายเพราะว่า คนมาประพฤติสมจริย์เนี่ย ม, มันทําให้กิเลสมันหย่อนลงไปนะฮะไม่ใช่กิเลสไปเพิ่มไม่ใช่กิเลสมันไปเพิ่มขึ้นถ้ากิเลสไม่หย่อนลงไปเลยมันก็เสียเชิงมันกันแหละเสียเวลาบวชมาตั้งนั้น่ะกิเลสไม่ลดเลยก็เสียเสียเหลี่ยมเพราะฉะั้นตรงตรงนี้นี่ค่าถึงความสมบูรณ์เนี่ยที่บอกเนี่ยทีนี้การการทําอย่างเนี้ยท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข ไอ้สวนเหล่านั้นตลอดกาลนานอันนี้เป็นเป็นข้อที่ควรกําหนดไว้อย่างเดนะ็ดเนี่ยครับว่ามีคนบางคนบางพวกที่ยืนยันว่าตัวศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมมีธรรมโอเคร่งศีลเคร่งธรรมแล้วอย่าลืมว่าการปฏิบัติตนของคนที่อยู่ในศีลธรรมเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนตนเองต้องไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อน แล้วก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แ ก, ก่บุคคลอื่นเป็นประโยชน์แ ก, ก่บุคคลทั้งหลายนั่นดูความวละเอียดละไมอ่ะเพราบางครับางคางเราก็จับทางไม่ถูกก็เป็นเข้าใจพวกมายาพวกเสแสแซงพวกโอ้อวดพวกแข่งดีพวกมานะอะไรต่างๆเนี่ยถึงเป็นภาพดวงตาเราไปเข้าใจว่าคนเราเนี่ย เราพิปฏิบัติธรรมคือรมงไม่ออกไม่ไม่สามารถเชื่อมโยงอาการของธรรมะลักษณะของธรรมะได้คนก็ตกเป็นเหยื่อคนฉลาดแกมโกงเยอะนะในโลกเนี่ยเพราะงั้นท่านท่านจึงคันคิดแล้วก็เข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระทัพพะมันระบุติเข้าไปฝ้าแล้วเนี่ยพวกมีภาคก็ประทับ ถึงข้าไปเข้าข้าถึงที่ประทับก็กราบทูล น, นะฮะกราบทูลว่าการเป็นที่ประนิพานด้วยอนุปษษาทิเสสนิพานธาตุได้ปรกากฏแก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ประสงค์จะกราบทูลการปรินิพานนั้นแล้วจะประนิพานแต่ทีนี้ประเนตรงนี้ยพระอาจารย์บางพวท่านตั้งข้อสังเกตยอย่างที่ว่าไว้เนี่ยคือต้องป้องการต้องการจะป้องกันในท่านเมติยาภูมิมัจฉกะกับอะไรูสึกจะเมตยาภิษุนีนะฮะ ที่เราหาใส่ร้ายท่านว่ะไปเสพเมตุดกันเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าอย่างเนี้มันก็ขัดมันก็ขัดหลักหลักการของพระหันเนี่ยคือพระหรันท่านบอกว่าเราไม่หวังความตายไม่หวังความเป็นคือตั้งแต่ท่านเป็นเนี่ยไม่ต้องการอั่งนั้นนแต่ว่าหวังเวลาเหมือนคนรับจ้างเนี่ยหวังค่าจ้างฉะนั้นคือมาเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นชีวิตจะดับเมือเม่อไหร่เมื่อนั้น คือคือไม่ได้วันวิตกกังวลห่วงใยอะไรแต่ไรคือวันมันไม่มีอะไรให้ยึดแล้วนี่นะจิตใจของพระอรหันต์ั้งหลายเนี่ยแต่ก็จะทำความเคารพคือคือกัวว่าคนเหล่านี้จะจะสะสมบาปมากไปการแสดงปฏิหารเออนี่ขอพระพุทธเจ้าสรมประทานนะฮะทงประทานให้แสดงปฏิหาร ทีนี้ประเด็นตัวนี้คือท่านบอกว่าพระขีณาสบทั้งหลายเมื่ออายุสังขารอย่างไม่สิ้นเนี่ยย่อมไม่จงใจพยายามเพื่อปรปนิพพานเพราะกลัวคนอื่นจะว่าร้ายเป็นต้นแต่ไม่ดำร ง, งอยู่ได้นานเพราะเหตุคนเหล่าอื่นสรรเสริญเป็นต้น หนะมายความว่าถ้าคนก็เบียดเบียนร่ผ่านมากแล้วก็รีบนิพพานเสียเพื่อจะหนีปัญหาหรือว่าคนที่ย่องเฉยๆเนี จ, จะอยู่นานๆเพื่อลาบสักการะมันไม่ใช่มือระดับพระอารหันต์แล้วนะความคิดอย่างนั้นมันเป็นความคิดของคนที่มีกิเลสทั้งสองอย่างนะฮะอยู่เพื่อความเจริญแห่งลาบสักการะชื่อเสียงก็แสดงว่าเป็นโลภะเป็นโมหะนะหรือว่ารีบ นิพพานเสียีตตายเสียเพื่อจะหลีกหนีปัญหาข้อกระหาต่างๆออย่างนี้ไม่ได้สร้างปัญหาคาแผ่นดินเอาไว้เพราะฉะนั้นพระอาหารหันทร์ท่านจะไม่ทําอย่างนั้นพระบูรพากเจ้าทรงสวดรัวอายุ ข, ของท่านว่าสิ้นไปแล้วจึงสัตว่าลูกกรรพระเธอจงสําคัญการณสมควรหนะ้าบัดนี้เถอดแล้วจากนั้นท่านก็เดิลอยึจนสู่อากาศนะ ล, นลอยจนสู่อากาศก็ เป็นการนิพพานในอากาศโดยการนิพพานในแนวนี้ยพระอนุนนะกนิพพานในนี้นะพระนุนกนิพพานในนี้ก็มีอย่างพวกสากยานีทั้งหลายนิพพาในในอากาศเท่านั้นนิพพานกลางอากาศเป็นการแสดงถึงผลของการประพฤติปฏิบัติเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดา ส, า, ส า, าหารับท่านสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายนี่เป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าสำหรับคนทั่วไปก็อาจจะมองเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้นะฮะไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้คือไม่เชื่อที่จริงเราจะเห็นว่าธรรมดาเหล่าเนี้ยธรรมดาของผู้มีฤทธิ์เนี่ยขเขาเรียกอิจธิวิสัยคือเป็นวิสัยของผู้มีฤทธิ์แล้วก็ฤทธิ์แต่มันเยอะฤทธินะ์มันหลายแนวหลายแบบฤทธิ์แต่ที่จริงแปลความสําเร็จนะฮะ เช่นเครื่องบินเรือดำน้ําเรือกลนไฟต่างๆครือมือวิทยาศาสตร์ท่งางๆฤทธิ์ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็เรียกเป็นวิชามยิชิคือความสําเร็จด้วยวิชาการความสมเหตุทางวิชาการยุคไอทีอะ ไ, อ ไ, ไรต่างๆดิจิตอลดิจิตอลอะไรที่เราพูดกันนะี่นะนั่นก็จะยิงคือฤทธิ์ทั้นั้น แต่ว่าเรามากักจะมองว่าฤทธ์ก็คือการแสดงคล้ายๆกับอะไรละ่ะปาร์คแสดงวิทยากรเรตนองนั้นนะที่จริงไม่ใช่หรอกฤิตเป็นความสําเร็จแล้วก็มีหลายยีสประเภทด้วยกันนะท่านจำแนกไว้ทั้งหมดก็สิบประเภทด้วยกันนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระทัพามะระบุตรมีประเด็นที่น่าทําความเข้าใจอยู่อยู่อีกหลายประเด็นนะเพราะว่า เรามองไปที่อัตถกถาด้วยดูพระอัตถกถ า, าท่านอธิบายว่ายังไงแล้วก็ในยะของพระพุทธธรรรัตน์ที่พระเจ้าทรงเปล่งพระพุทธูทานด้วยแต่วันนี้เวลาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้ทุกฝัง่งทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี